บรรพบุรุษไทยเพียรรักษาพระไตรปิฎกไว้ขอให้เพียร น, นำมาเรียนมาใช้จะได้ชื่อว่าเป็นลูกหลานที่ดีพระไตรปิฎกของดั้งเดิมนั้นเป็นภาษาบาลีเรียกว่าเป็นฉบับเทรวาสสืบต่อกันมาตั้งแต่พระสา ว, วกห้อองค์ที่ทัานเห็นทันฟังพระพุทธเจ้าประชุมกันรวบรวมธรรมวินัยไว้เรียกว่าสังคยนาพระธรรมวินยัย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 ดังที่เมื่อเกิดมีการพิมพ์สมัยใหม่ในหลวงรัชกาลที่หสมเด็จพระพิยาม a h a r a j ก็ทรงให้พิมพ์พระไตรปิฎกบาลีด้วยอักษรไทยเป็นเล่มหนังสือแล้วทรงส่งไปพระราชทานแก่ประเทศต่างๆแม้แต่แก่ประเทศฝรั่งชาติตะวันตกหลังจากรัชกาลที่6สวรรคตรัชกาลที่7ก็โปรดกล้าวให้พิมพ์พระไตรปิฎกบาลีและคัมภีร์อื่นๆถวายอุทิศพระราชกุศล และเป็นราชานุศน์ในราชการที่9ก้เมื่อคำภีพระไตรปิฎกบาลียังคงอยู่ดีสืบมาก็ยังมีการทำให้แพร่หลายยิ่งขึ้นโดยมีการตรวจทานที่เรียกว่าการสังคยนาครั้งใหม่มีการพิมพ์พระไตรปิฎกบาลีเพิ่มขึ้นเป็นหลายฉบับและพิมพ์คมภีอัตถกถาดีกาเป็นต้นตลอดจนนำเอาพระไตรปิฎกบาลีที่เป็นเล่มหนังสือ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 ซึ่งร้ายแรงกว่าการประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัยการอ้างหลักฐานด้วยการแดัดแปลงแทรกเสริมปลอมปนการทำลายความเชื่อถือต่อพระธรรมวินัยและพระไตรปิฎกด้วยวิธีหลอกลวงการทำให้ประชาชนเข้าใจสับสนไข้เควและลงประเด็นสับสนระหว่างหลักการกับความคิดเห็นของบุคคลและระหว่างหลักฐาน